เจริญพรท่านสาธุชนพู้ท่บริสัตรอโอบาโสโอบาสิกาผู้่ไฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560เป็นวันพระวันธรรมวัวนาวันฝังธรรมเป็นวันที่ลวกเรา จะได้มาฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนหรือถ้าเป็นธรรมที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับอยากกำจัดความสงสัยในธรรมต่างๆได้จะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญาและ จะทำให้จิตใจผ่องใสมีความสุขมีความสงบนี่คืออริสสมของการมาวัดในวันพระกันเป็นเป็นมงคลอย่างยิ่งอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจัดไว้ว่ากาเลนะธรรมัสวนังเอตัมมังกามุตัมมังการฟังธรรมตามการตามเวลา เป็นมงคลอย่างยิ่งตามการก็คือตามวันพระนี่เองเพราะว่าญาติโยมจะมีวันหยุดทำงานได้ก็วันสองวันก็เลยมาวัดกันในวันหยุดวันหยุดของเราสมัยนี้จึงกลายเป็นวันพระไปโดยอัตโนมัติเพราะในวันพระตามปฏิทินเราต้องไปทำงานก็จะไม่สะดวกจะมาวัด แต่วันนี้เป็นช่วงที่วันพระตามปฏิทินกับวันหยุดทางานของเราตรงกันเราก็เลยได้มาวัดในวันพระมาฟังเทศฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะสิ่งที่เราจะได้ยินนี่อาจจะเคยได้ยินมาแล้วหรืออาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนอการได้ยินได้ฟังธรรม ที่เราไม่ได้ยินก็จะเป็นการเปิดหูเปิดตาให้สว่างขึ้นส่วนถ้าเราได้ฟังแล้วเราอาจจะลืมไปก็เป็นเหมือนกับมาทบทวนความจำความรู้ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปตามลําดับสิ่งที่เราทําที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังกันนี้ <c oughs> ก, นก็มีอยู่สี่ข้อด้วยกันคือทำ คือสิ่งที่หายากในโลกนี้มีอยู่สี่อย่างด้วยกันญาติโยมอาจจะคิดว่าเป็นเพชรนินจินดาเป็นข้าวของเงินทองของพวกนี้หาไม่ยากสิ่งที่หายากกว่าเพชรนินจินดาข้าวของเงินทองต่างๆก็คือเดิมการตัดสรลุของพระพุทธเจ้าการมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุในโลกนี้ เป็นของที่ยากยิ่งกว่าเสี่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งไหนเรียกว่ายากนี้ยังยากไม่เท่ากับการมาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเช่นเราอาจจะคิดว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินยากการเป็นประธานาธิปดียากการเป็นมหาเศรษฐียากหรือการถูกวัตตรีร่รางวัลที่หนึ่งนียาก ของเหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับการตัดสรุปของพระพุทธเจ้านี้เหมือนฟ้ากับดินว่าไม่มีใครที่จะมาตัดสรุปได้ทุกวี่ทุกวันเหมือนกับลอตเตอรี่ทุก15้าวันก็มีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันแต่การมาตัดสรุปของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นี้ใช้เวลาเป็นกับกับนี้เป็นเวลาที่เราไม่สามารถเขียนด้วยตัวเลขได้ ถ้าเราเขียนด้วยตัวเลขมันก็ยาวไปถึงจากที่นี่ไปถึงประตูน้นตัวเลขเลขศูนย์ที่ตามท้ายด้วยเลขหนึ่งก็คือเป็นหลายล้า น, ล, านล้านปีถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสลุสักองหนึ่งและคุณค่าของการตัดสรูของพระพุทธเจ้านี้ก็ยิ่งใหญ่ไพศาลกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ ไม่สามารถช่วยเราดับความทุกข์ภายในใจได้ไม่สามารถช่วยเราให้ยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้แต่การตัดสรู้ของพระพุทธเจา้านี่แหละจะช่วยให้เราได้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้และสามารถทำให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้าแล้วซ้าอีกอย่างที่พวกเรากำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้ นี่คือสิ่งที่หายากพวกเราได้พบกันแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พบกับตัวพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าคำสอนของเรานี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอหลังจากที่เราจากพวกเธอไปพระพุทธเจ้าบอกเพราะทำคำสอนที่พวกเรากำลังฟังอยู่นี่แหละเป็นศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าของพวกเธอ พวกเธอได้ฟังธรรมก็ถือว่าพวกเธอได้พบกับพระพุทธเจ้าแล้วนี่คือสิ่งที่หายากที่พวกเรานี่ได้มาพบกันเพียงแต่ว่าเราจะเอาไปทําประโยชน์ได้หรือไม่เท่านั้นเองเหมือนกับเวลาที่เราถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็อยู่ที่เราว่าเราจะไปขึ้นรางวัลหรือไม่ถ้าไม่เอาไปขึ้นรางวัล การถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราไปที่สำนัก ง, งานสลากกินแบ่งเอาลอตเตอรี่ที่เราถูกนี้ไปยื่นให้กับเขาแล้วเขาก็จะเอารางวัลให้กับเราฉันใดการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่เข้าหาพระพุทธเจ้าไม่ไปรับคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วไม่เอาไปปฏิบัติตามคำสอนเราก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการได้มาพบกับพระพุทธเจ้าดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทาหลังจากที่เราได้มาพบพระพุทธเจ้าแล้วก็คือเราต้องฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่ท่านสอนให้เรามาฟังทำกันอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งในวันพระในวันธรรมัสวรรอย่างวันนี้ แต่สมัยนี้เราโชคดีเราสามารถฟังธรรมได้มากกว่านั้นเพราะเรามีหนังสือให้อ่านมีซีดีให้ฟังมีสื่อทางอินเทอร์เน็ตให้เราเปิดฟังเปิดดูได้ตลอด24ชั่วโมงดังนั้นถ้าเราขวนขวายศึกษาฟังธรรมมากเราก็จะรู้มากเราก็จะฉลาดมากแล้วเราก็จะได้รู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเกิดจากการศึกษาเกิดจากการฟังยิ่งฟังมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นเมื่อเข้าใจมากขึ้นก็จะสามารถทำให้ให้ได้ผลได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นนั่นเองดังนั้นเราได้มาพบของที่ยากที่สุดในโลกแล้วก็คือ การตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าโดยผ่านการพบกับคาสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็คือสิ่งที่ยากข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากเพราะการจะาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ทำบาปถ้าทำบาปตายไปก็ต้องไปเกิดในอบาย ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปตกนรกก็จะใช้เวลาใช้กรรมไปจนกว่ากรรมมันจะหมดถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปเลยตายไปเราก็จะได้กลับมนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันอย่างรวดเร็วแต่พวกเราก็ไม่มีใครจะรับบากได้ว่าไม่ได้ทำบาปกันอย่างน้อยก็ข้อนั้นบ้างข้อนี้บ้าง อันนี้จึงทําให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากและสองมนุษย์ก็ตั้งท้องได้ทีละคนเดียวยกเว้นสมัยนี้มีการระสมเทียมตั้งท้องได้ทีห้าหกคนแต่ปกติแล้วก็จะได้เพียงคนเดียวมนุษย์ถึงเกิดมายากไม่เหมือนกับเดรัจฉานเขาตั้งท้องกันเป็นคอกหมานี่ออกมาเป็นคอก แมวงนี้นกกาปล า, มาแมลงโอยออกมาทีน้ำไม่ท่วนนั้นโอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้แต่ละครั้งก็ยากเพราะต้องไปเข้าคิวรอเหมือนกับสมัยนี้ที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดีก็เข้ายากเพราะต้องไปสอบแข่งขันกันกว่าจะเข้าได้ก็ต้องเก่งจริงๆคนที่จะมา เกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องหมดกรรมหมดบาป ท, ที่ไปทาไว้ถึงจะสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ในแต่ละครั้งและก็ต้องไปย่างกันเพราะมีคนตั้งท้องกันไม่มากเหมือนกับพวกสัตว์พวกเดรัจฉานเขาตั้งท้องกันและประโยชน์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ยิ่งใหญ่มหาศาลเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมาพบกับพระพุทธศาสนา ก็จะไม่สามารถรับประโยชน์ได้ไม่สามารถขึ้นรางวัลได้เช่นถ้ามาเกิดเป็นสุนัขแล้วมาถูกมาปล่อยให้อยู่วัดก็จะไม่สามารถเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้ไม่เข้าถึงพระธรรมคาสอนได้ก็เหมือนกับถูกลอตเตอรี่แล้วไม่สามารถไปขึ้นรางวัลได้เช่นสุนัขอาจจะไปคาบเอาลอตเตอรี่ที่รางวัลที่หนึ่งที่เขาเผลอทิ้งไป สุดหนักมันฆ่าไปมันก็เอาไปขึ้นรางวัลไม่ได้ต้องเป็นมนุษ ย, นย์ถ้าเป็นมนุษย์เก็บตรตวรลีรางวัลที่หนึ่งได้ก็เอาไปขึ้นรางวัลได้เลยเนี่ยคุณประโยชน์ของการเป็นมนุษย์ก็คือเราจะได้ถูกรางวัลที่หนึ่งและสามารถไปรับรางวัลที่หนึ่งนี้ได้ถ้าเรามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเราตั้งใจเข้าวัดตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เข้าวัดมาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ให้มาปฏิบัติรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือให้ทำทานให้รักษาศรรีลให้นั่งสมาธิให้ฟังเทศฟังธรรมให้กำจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไป ถ้าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ศึกษาและได้ปฏิบัติเราก็จะได้รับประโยชน์ของการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาก็คือเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่เป็นของยากมากที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์โลกอย่างพวกเรา ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่นาเกิดเป็นมนุษย์ก็บทสิทธิ์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากข้อที่สองข้อที่สามสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากก็คือการดำรงชีพนะการมีชีวิตอยู่นี้ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะชีวิตของเรานี้มีภัยต่างๆมารุมเราอยู่รอบข้างมีทั้งภัยธรรมชาติ มีทั้งภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุเดินทางไปทางรถยนต์ทางเครื่องบินทางเรือทางอะไรก็ตามโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุแล้วตายไปก็ได้ถ้าไม่ตายด้วยอุบัติเหตุก็ตายด้วยภัยธรรมชาติบ้างมีน้ำท่วมบ้างไฟไหม้บ้างลมพายุพัดบ้างแผ่นดินถลม่มตึกถล่มบ้าง อันนี้ก็จะทำให้การมีชีวิตอยู่นี้ไม่ใช่เป็นของง่ายนอกจากนั้นยังมีภัยจากเพื่อนมนุษย์เราด้วยกัน อ, อีกเพื่อนมนุษย์เราก็ไม่ใช่เป็นคนดีทั้ทงหมดคนที่เป็นคนชั่วก็มีคนที่เป็นใจใจบาปก็มีถ้าเราเผลอเราก็อาจจะถูกเขาฆ่าเราได้แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ อ, อีกมีโรคระบาด โรคต่างๆถ้าพลาดไปไปติดโรคติดเชื้อเข้ามาก็ตายได้เหมือนกันนอกจากนั้นก็ยังมีภัยที่เกิดจากการกระทาของตนเองการประพฤติตนเองบางทีก็ทำอะไรผิดพลาดเสียหายก็อาจจะต้องไปถูกจับเข้าคุกเข้าตารางหรือถูกประหารชีวิตได้หรือถ้าอาจไปเจอปัญหาต่างๆรุมเราไม่สามารถแก้ได้ ก็ฆ่าตัวเองได้การดำรงชีพจึงไม่ใช่เป็นของงา่ายพวกเหล่านี้ไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะอยู่ไปถึง 80-90 ปีบางคนเกิดมาวันเดียวก็ตายก็มีเจ็ดวันตายก็มีเดือนหนึ่งตายก็มีมีทุกมีทุกอายุที่เกิดมาไอ้ที่จะอยู่ไปตลอดรอดฝั่งถึง 80-90 ปีนี้จึงมีน้อยมาก ั้นการทำรงชีพนี่ก็เป็นถือว่าเป็นของยากถ้าพวกเรายังมีชีวิตอยู่นี่ต้องถือว่าพวกเราโชคดีเราได้ของที่ยากและของสำคัญด้วยเพราะถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่เรามาเกิดเป็นมนุษย์มาพบกับพระพุทธศาสนาแต่เราตายไปก่อนเราก็ไม่สามารถที่จะไปศึกษาไม่สามารถที่จะปฏิบัติและไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ นี่ก็เป็นสิ่งที่หายากและเป็นคุณประโยชน์กับเรามากเราต้องเกิดเป็นมนุษย์และต้องมีชีวิตอยู่และได้พบกับพระพุทธศาสนาเราถึงจะสามารถตักตวงประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้ประการสุดท้ายของที่เกิดขึ้นได้ยากก็คือการได้บวชได้เรียนการได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่ อยากจะศึกษาอยากปฏิบัติอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างเต็มที่นี้ต้องบวชเท่านั้นไม่ฉะนั้นแล้วโอกาสที่จะหลุดพ้นนี้มียากมากน้อยมากมีคนคนส่วนใหญ่ที่หลุดพ้นบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพาน ก, นนาาาากนันี่เป็นพระอรหานตสาวกนี้ 99.9% เป็นนี้เป็นพระทั้งนั้น คูดูครูบาอาจารย์ต่างๆที่เรากราบไหว้ท่านบรรลุธรรมเพราะท่านบวชกันเพราะเมื่อท่านบวชแล้วท่านก็จะมีเวลาที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ถ้าพวกเราเป็นคาววะนี้เราจะไม่มีเวลาเพราะเราจะต้องไปวุ่นวายกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำมาหากินดูแลครอบครัวของเราเวลาที่จะมาฟังเทศมาปฏิบัติธรรมก็ ถ้าโชคดีก็อาทิตย์ละครั้งหนึ่งเท่านั้นอย่างวันนี้วันพระนะถ้าทำขนาดนี้ไม่ไม่พอแน่นอนเพราะเวลามันจะไม่พอนะจะตายไปก่อนที่จะบรรลุได้แล้วคิดดูซิการที่มาบวชนี้มีคนมาบวชมากน้อยเพียงไรเมืองไทยเรามีประชาชนกี่ล้านเจสบล้านคนเรามีพระสงฆ์องค์เจ้าที่บวชกันในเมืองไทยกี่แสน ประมาณสักสองแสนเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาสองแสนจากเจดสิบล้าน <Yeah. S 1> การมาบวชจริงไม่ใช่เป็นของง่ายและบวชแล้วมาศึกษามาปฏิบัติจริง <Yeah. S 1> ก็ยังไม่ใช่เป็นของง่าย <Yeah. S 1> บางทีมาบวชแล้วก็ไม่ได้มาศึกษา <Yeah. S 1> ไม่ได้มาปฏิบัติมาทำมาทำพิธีกรรมต่างๆมาทำบุญบังสังสว่วน อันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ภายในใจบุญบังสังสวดคืออะไรก็คืองานบุญไปงานบุญต่างๆไปทำเกี่ยวกับงานบุญไปแถาทำเกี่ยวกับสังฆทานบังสกุลก็สวดศพสังฆทานสังก็เป็นสังฆทานบุญบังสังสวดสวดก็คือสวดต่างๆใครนิมนต์ให้ไปสวดที่ไหนก็ไปสวดกันถ้าทาอย่างนี้ โอกาสที่จะหลุดพ้นก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนกันะฉงนั้นผู้ที่ได้บวชได้เรียนและศึกษาปฏิบัติตามแนวทางของพระอริยเจ้าจึงมีน้อยมากเนี่ยพวกเราอยู่ในเมืองไทยเราคงจะเห็นกันคงจะรู้กันก็จะไม่ต้องพูดกันมากเดี๋ยวจะหาว่าโคษนาแต่พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่มีความเข่งคัต่อการ ศึกษาต่อการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านี้หาได้ยากมากนี่ก็คือสิ่งที่ยากแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้เกิดเป็นมนุษย์ได้มีชีวิตอยู่แต่ถ้าไม่บวชก็ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากกาวทุกได้ต้องบวชต้องเรียนและต้องบวชจริงๆต้องเรียนจริงๆ ไม่ใช่บวชแล้วก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ไปปฏิบัติต้องบวชแล้วต้องเรียนต้องศึกษาจากครูบาอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์<ม>เท่านั้นแหละถึงจะสามารถได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นได้ยากที่สุด<ม>ก็คือการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือเรื่องที่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ได้ยาก4ประการด้วยกัน คือการเกิดการตัดสรุของพระพุทธเจ้าการเกิดเป็นมนุษย์การดำรงชีพและการได้บวชเรียนถ้าใดถ้าท่านผู้ใดได้ครบทั้งสี่ประการนี้ก็จะได้รับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากที่สุดในโลกนี้ก็คือได้พระนิพพานได้การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด พวกเราตอนนี้มีโอกาสแล้วเรามีอยู่สามสี่อย่างแล้วเราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราได้เป็นมนุษย์แล้วเราได้มีชีวิตอยู่แล้วสิ่งที่เราขาดอย่างเดียวก็คือการบวชเรียนนี่เองถ้าพวกเราได้บวชเรียนแล้วรับรองได้ว่าจะต้องได้หลุดพ้นอย่างแน่นอนตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับประกันไว้ว่า ถ้าไม่หลุดในเจดวันก็เจดเดือนถ้าไม่หลุดในเจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะต้องได้รับผลอย่างแน่นอนถ้าตั้งใจบวชตั้งใจเรียนอย่างจริงจังอย่างนั้นขอให้พวกเราจงเอาธรรมที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปค่ายควรและไปปฏิบัติตามกำลังของสติปัญญาศรัทธาวิริยะของท่านเถิด แล้วรับรองได้ว่าประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่นานๆจะเกิดขึ้นซักครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ท่านทั้งหลายจะได้รับกันอย่างแน่นอนการสแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีลัตนาใจและบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญแค็วแกราดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอ